สัจจะนิเทศก็อริยสัจสี่คือทุกขอริยสัจทุกขสมุทญยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจชื่อว่าสัจจะอันมาในลำดับแห่งอินทรีย์นั้นหัวข้อวินิจฉัยวินิจฉัยในอริยสัจ อันเป็นที่ดำเนินไปแห่งพระศาสนานั้นปราสพึงทราบโดยวิภาคคือจำแนกอัตถะแห่งอริยสัจสีโดยนิพน์คือแยกคำโดยประเภทแห่งลักษณะเป็นต้นโดยอัตถะแห่งสัจจศัพโดยมีจำนวนไม่หย่อนไม่ยิ่งโดยลำดับโดยวินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้นโดยกิจแห่งญาณ โดยประเภทแห่งธรรมะทั้งหลายที่อยู่ภายในคือนับเข้าในอริยสัจโดยอุปมาโดยจัตุกะคือเป็นและไม่เป็นอริยรสัจสี่ในยะโดยว่างเปล่าโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นโดยสภาคและวิสภาก ค, คือมีส่วนเสมอกันและไม่เสมอกันวินิจฉัยอริยสัจโดยวิภาค ในหัวข้อเหล่านั้นข้อว่าโดยวิภาคความว่าก็อัฏฐะแห่งอริยสัตว์มีทุกเป็นต้นท่านจำแนกเป็นอย่างละสีคือสัจจะละสีเป็นอัตฐะจริงแท้ไม่เป็นเท็จไม่เป็นอื่นซึ่งพระโยคาวจรทั้งหลายผู้ตรัสรู้อริยสัตว์มีทุกเป็นต้นพึงรู้ได้ดังพระบาลีว่า อัถะแห่งทุกข์คือสภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่เป็นสังขตะสภาวะที่ทำให้เร่าร้อนสภาวะที่แปรเปลี่ยนอัถะสี่ประการนี้เป็นสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์ขัดเป็นอัถะจริงแท้ไม่เป็นเท็จไม่เป็นอื่นอัถะแห่งสมุ ท, ทยัยคือสภาวะที่ประมวลเอาไว้ สภาวะที่ก่อเหตุเข้าไว้สภาวะที่ผูกไว้สภาวะที่ผูกพันไว้อัฏฐสีประการนี้เป็นสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทยัยศาสตว์เป็นอัฏฐจริงแท้ไม่เป็นเท็จไม่เป็นอื่นอัฏฐแห่งนิโรธคือสภาวะที่สลัดออกไปสภาวะที่ว่างสงัด สภาวะที่เป็นอสังคตะสภาวะที่เป็นอมตะอัฏฐะสี่ประการนี้เป็นสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธสัตว์เป็นอัฏฐะจริงแท้ไม่เป็นเท็จไม่เป็นอื่นอัฏฐะแห่งมรรคคือสภาวะที่นำออกไปสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เห็นตามเป็นจริงสภาวะที่เป็นอธิบดี อัตตะสี่ประการนี้เป็นสภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคสัตย์เป็นอัตตะจริงแท้ไม่เป็นเท็จไม่เป็นอื่นพระบาลีที่กล่าวไว้ในที่อื่นว่าอัตตะแห่งทุกข์คือความบีบคั้นความเป็นสังขตะความเร่าร้อนความแปลเปลี่ยนความเป็นสิ่งพึงตรัสรู้ดังนี้เป็นต้นก็อย่างเดียวกัน อริยาศัสตร์มีทุกเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบด้วยอำนาจแห่งอัฏฐะอย่างละสีอย่างละสี่ที่ท่านจำแนกไว้ดังกล่าวมาชนนี้แลนี้เป็นวินิจฉัยโดยวิภาคในอริยาศัสตร์นี้เป็นอันดับแรกโดยนิพพ์ส่วนในสองหัวข้อคือ นิพพัชนะละัคนาที่ประเภทัตโตโดยนิพพธและประเภทมีลักษณะเป็นต้นนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยนิพนธคือการแยกคำก่อนแยกคำศัพทุกในคำว่าทุกขังนี้ศัพทุกนี้ท่านถือเอาในอัถฐคือนาเกลียดจริงอยู่ ชนทั้งหลายย่อมเรียกบุตรที่น่าเกลียดคือชั่ววัตุรบุตรส่วนสาบว่าขังถือเอาในอัฏฐะคือที่ว่างเปล่าจริงอยู่ที่ว่างเปล่าคืออากาศเขาก็เรียกว่าขังอันสัจจะที่หนึ่งนี้จัดว่าน่าเกลียดเพราะเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งที่เลวซามมีอุปัตวะเป็นต้นเป็นอเนก จัดว่าว่างเปล่าเพราะเว้นจากความยั่งยืนความงามความสุขและความเป็นตนที่พาลชนคาดหมายเอาเหตุนั้นจึงเรียกว่าทุกข์เพราะน่าเกลียดและเพราะว่างเปล่าด้วยแยกคำศัพท์สมุทัยส่วนในคำว่าสมุทัยศัพท์ว่าสังนี้ บ่งถึงความประกอบกันเข้าพึงเห็นในคาว่าสมาคมาสเมตะที่แปลว่าประชุมกันเป็นต้นศั์ว่าอุนี่บ่งถึงความเกิดขึ้นพึงเห็นในคาว่าอุปปนาอุทิตะที่แปลว่าเกิดขึ้นขึ้นไปเป็นต้นศั์ว่าอายะบ่งถึงเหตุอันสัจจะที่สองนี้เรา เมื่อความประกอบกันเข้ากับปัจจัยที่เหลือมีอยู่ก็เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเหตุนั้นจึงเรียกว่าทุกขะสมุทยัยเพราะเมื่อมีความประกอบกันเข้าแห่งปัจจัยก็เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกแยกคำศัพท์นิโรธส่วนสัจจะ ท, ที่สามเพราะเหตุที่นิสับบ่งถึงความไม่มี และโรทะศัพ์บ่งถึงคุกเหตุนั้นความไม่มีแห่งที่คุมขังทุกที่นับว่าคุกสังสารวัตในสัจจะข้อนี้จึงเรียกว่าทุกขนิโรธเพราะว่างเปล่าจากคติทั้งปวงหรือเมื่อสัจจะข้อนี้ประโยคขาวจรได้บรรลุแล้วก็เป็นอันไม่มีที่คุมขังทุกที่นับว่าคุกสังสารวัต เพราะสัจจะนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกนั้นเหตุนี้อีกประการหนึ่งเรียกว่าทุกขนิโรธหรือมิฉะนั้นเรียกว่าทุกขนิโรธเพราะเป็นปัจจัยแห่งความดับคือความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์แยกคำศัพท์นิโรทคามินีปฏิปทาส่วนสัจจะที่สี่เรียกว่า ทุกขนิโรธค า, ามิมนีปฏิปทาเหตุที่สัจจะนี้ชื่อว่าดําเนินไปสู่ทุกขนิโรธเพราะเป็นธรรมะมุ่งหน้าต่อทุกขนิโรธนั้นโดยที่มีทุกขนิโรธนั้นเป็นอารมณ์และเป็นปฏิปทาแห่งการบรรลุทุกขนิโรธด้วยแยกคำศัพท์อริยสัจก็แล สัต จ, จัตทั้งหลายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าอริยสัจเพราะเป็นธรรมะที่พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแทงตลอดดังพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายอริยสัจสีน่นี้อริยสัจสี่คืออะไรบ้างนี่และภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่พระอริยทั้งหลาย ย่อมแทงตลอดซึ่งสัจจะเหล่านี้เหตุนั้นสัจจะทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยสัจอีกนัยยะหนึ่งเรียกว่าอริยสัจเพราะเป็นสัจจะของพระอริยะก็ได้ดังพระบาลีว่าตถาคตเป็นพระอริยะในโลกกับทั้งเทวโลกเป็นต้นจนถึงในหมูสัตว์กับทั้งสมณพราหมณ์ทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์ เพราะเหตุตถาคตเป็นพระอริยะนั้นสัจจะทั้งหลายนี้ของตถาคตจึงเรียกอริยสัจหรือในยะหนึ่งเรียกอริยสัจโดยที่ความสำเร็จเป็นพระอริยะมีได้ก็เพราะได้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนั้นก็ได้ดังพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่นี้ตามจริงแล้ว พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้นามว่าพระอริยะอันหนึ่งที่เรียกอริยสัตว์เพราะเป็นสัจจะอย่างอริยะก็ได้คำว่าอริยะในอัถนี้มีความหมายว่าจริงแท้ไม่เท็จไม่ลวงดังพระบาลีว่านหลภิกษุทั้งหลายอริยสัตสี 4, เป็นความจริงแท้ไม่เท็จ ไม่เป็นอื่นเพราะเหตุนั้นสัจจะทั้งหลายนี้จึงเรียกว่าอริยสัตวินิจฉัยโดยนิพพ์คือแยกคำในอริยสัย์นี้บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนี้โดยประเภทแห่งลักษณะเป็นต้นถามว่า วินิจฉัยโดยประเภทแห่งลักษณะเป็นต้นอย่างไรฉเฉลยว่าก็ในสัจจะสีน่นี้ทุกขสัตว์มีความเบียดเบียนเป็นลักษณะมีความทําให้เล่าร้อนเป็นกิจมีประวัติคือความเป็นไปไม่แล้วไม่รอดเป็นผลสมุทยาสัตว์มีความก่อให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะมีอันทําไม่ให้ขาดสายเป็นกิจ มีความห่วงใยเป็นผลนิโรธสัตว์มีความสงบเป็นลักษณะมีความไม่เคลื่อนคือไม่เปลี่ยนสภาพเป็นกิจมีความไม่มีนิมิตคือเครื่องหมายแห่งทุกข์เป็นผลมัชคัสสัตว์มีความนำออกจากคุกสังสารวัตรเป็นลักษณะ มีการทำความละกิเลสเป็นกิจมีความออกจากนิมิตและประวัติเป็นผลอีกในยะหนึ่งสัจจะสี่มีประวัติคือความหมุนไปประวัตนาเหตุให้หมุนไปและนิวัติความหมุนกลับนิวัตนาเหตุให้หมุนกลับเป็นลนักษณะโดยลำดับกัน อันหนึ่งมีความสังคตะตันหาความกระหายความเป็นอสังคตะและทัศนะคือความเห็นตามเป็นจริงเป็นลักษณะโดยลำดับกันอย่างนั้นวินิจฉัยโดยประเภทแห่งลักษณะเป็นต้นในอริยสัจนี้พึงทราบดังกล่าวมาชะนี้โดยอัตฐะ ส่วนในสองหัวข้อคืออัถทุทธาระโตเจวะโดยอัฏฐะและโดยอัฏุทธาระนี้พึงทราบวินิจฉัยโดยอัฏฐะแห่งสัจจะสับกนหากมีคำถามว่าอะไรเป็นอัฏฐะแห่งสัจจะดังนี้ไซคำตอบก็พึงมีว่าสภาวะใดเมื่อประโยคาวจรทั้งหลาย เข้าไปสอบดูด้วยปัญญาจากขู่อยู่ก็ไม่เป็นสภาวะที่วิปริตคือผิดความจริงไปเหมือนเล่นคนไม่เป็นสภาวะที่ลวงดุดพยับแดดและไม่เป็นสภาวะที่ใครๆหาไม่ได้คือไม่มีดังเช่นอัตตาของพวกเดียรถ์ถีแต่เป็นโคจรคือเป็นอารมณ์แห่งอริยญาณโดยความเป็นสภาวะที่แท้ไม่วิปริตและเป็นจริง อันมีประการคืออาการเบียดเสียดก่อให้เกิดขึ้นสงบและนำออกไปเท่านั้นความเป็นสภาวะที่แท้ไม่วิปริตและเป็นจริงดังลักษณะของไฟและดังปกติของโลกนั่นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นอัถะของสัจจะดังพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายคำว่านี่ทุกข์นั่นเป็นคำจริงแท้ นั่นเป็นคำไม่เท็จนั่นเป็นคำไม่แปรปรวนเป็นอื่นดังนี้เป็นต้นความพิสดารบัณฑิตพึงนำมากล่าวเถิดอีกนนยะหนึ่งเพราะทุกไม่เบียดเบียนไม่มีสิ่งอื่นนอกจากทุกเบียดเบียนก็ไม่มีเหตุนั้นทุกนี้จึงตกว่าเป็นสัจจะเพราะแน่นอนในความเป็นธรรมชาติที่เบียดเบียน เพราะเว้นมันคือตันหาเสียทุกไม่มีจากสิ่งอื่นและตันหาไม่มีทุกนั้นก็ไม่มีเหตุนั้นตันหาจึงตกว่าเป็นสัจจะเพราะแน่นอนเป็นเหตุแห่งทุกเพราะนอกจากนิพพานความสงบอื่นไม่มีและทุกขสันต์ตือนิพพานไม่มี ความสงบนั้นก็ไม่มีเหตุนั้นนิพานนี้จึงตกว่าเป็นสัจจะเพราะแน่นอนในความเป็นธรรมะสงบเพราะเครื่องนำออกอื่นจากมักไม่มีและนิยานะคือมักไม่มีแม้ธรรมะเครื่องนำออกนั้นก็ไม่มีเหตุนั้นมักนั้นจึงตกว่าเป็นสัจจะเพราะความเป็นธรรมะเครื่องนำออกแน่แท้ บัณดิตทั้งหลายกล่าวความแท้ความมิคลาดเคลื่อนและความเป็นจริงในอริยสัจทั้งสี่มีทุกเป็นต้นโดยแปลกกันว่าเป็นอัฏาแห่งสัจจสัพด้วยประการชนี้วินิจฉัยโดยอัฏถแห่งสัจจสัพพึงทราบดังกล่าวมาชนี้โดยอตุทธาระ วินิจัยโดยอัตถุทาระคือระบุอัฏฐะที่ประสงค์ในข้อนี้สัจจสัพนี่ถือเอาในอัฏฐะได้หลายอย่างคืออย่างไรบ้างคือสัจจศัพ์ในคำทั้งหลายมีคำว่าสัจจังพาเนนกุลเชยะบุคคลพึงพูดคำจริงไม่พึงโกรธดังนี้เป็นต้นถือเอาในอัฏะคือวาจาสั์จริงทางวาจา สัจจ์ในคําทั้งหลายมีคำว่าสัจเจทิตาสมณพรามนาวาสมณพรามทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในสัจจะก็ดีดังนี้เป็นต้นถือเอาในวิรติสัจคือจริงทางวิรัตสัจจ์ในคําทั้งหลายมีคำว่ากัศมานุสัจจานิวัันติน า, นาปวาทิยาเสกุสลาวัานา เหตุอะไรหนอเจ้าลทัทธิทั้งหลายพูดสำคัญว่าตนเป็นผู้มีวาทเป็นกุศลคือถูกต้องจึงกล่าวสัจจะหลายอย่างต่างกันดังนี้เป็นต้นถือเอาในทิฏฐิสัจคือจริงทางความเห็นสัจจะสับในคำทั้งหลายมีคำว่าเอกังหิสัจจังนทุติยังสัจจะอันหนึง่งลไม่มีสองดังนี้เป็นต้น ถือเอาในนิพพานละมักด้วยอันเป็นปรมาทสัตว์คือจริงโดยปรมสัตยสัจจะศัพท์ในคำทั้งหลายมีคำว่าจตุนังสัจจานังกติกุศลาบรรดาสัจจะสี่สัจจะเท่าไรเป็นกุศลดังนี้เป็นต้นถือเอาในอริยสัตว์คือจริงอย่างอริยะแม้สัจจะศัพท์นี้ในข้อนี้นั้น ก็เป็นไปในอัฏฐะคืออริยสัย์แลวินิจฉัยแม้โดยอัตถุทาระในอริยสัย์นี้พึงทราบดังกล่าวมาชน่นนี้โดยมีจำนวนไม่หย่อนไม่ยิ่งข้อว่าโดยมีจำนวนไม่หย่อนไม่ยิ่งความว่าหากคำถามพึงมีว่า ก็เพราะเหตุฉะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอริยสัจแต่สี่เท่านั้นไม่หย่อนไม่ยิ่งดังนี้ไซคำแก้ก็พึงมีว่าเพราะไม่มีอริยสัจอื่นประการหนึ่งเพราะลดออกเสียข้อใดข้อหนึ่งก็มิได้ประการหนึ่งแท้จริงอริยสัจอื่นจากอริยสัจสี่นั้นเป็นส่วนยิ่งคือเกินก็ดี อริยสัจสี 4, นั้นแม้สักข้อหนึ่งพึงลดออกเสียได้ก็ดีหามีไม่ดังพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามก็ตามในโลกนี้จะพึงมากล่าวว่านี่ไม่ใช่ทุกขอริยสัจ ท, ทุกขอริยสัจเป็นอย่างอื่นข้าพเจ้าจักยกเลิกทุกขอริยสัจนี้เสียแล้วบัญญัติทุกขอริยสัจอื่นขึ้นใหม่ดังนี้ นี้ไม่มีทางเป็นไปได้ดังนี้เป็นอาทิและดังพระบาลีอีกข้อหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามพึงกล่าวอย่างนี้ว่าทุกขะอริยสัจซึ่งพระสมณะโคโดมแสดงไว้ไม่ใช่อริยสัจข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะบอกปัดทุกขอริยสัจ ท, ที่ว่าเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งนั้นเสีย แล้วบัญญัติทุกข์อริยสัจอื่นเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งขึ้นใหม่ดังนี้นี้ไม่มีทางเป็นไปได้ดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสบอกประวัติคือความหมุนไปก็ตรัสบอกพร้อมทั้งเหตุเมื่อตรัสบอกนิวัติความหมุนกลับเล่าก็ตรัสพร้อมทั้งอุบายด้วยดังนี้ จึงเป็นอันตรัตแต่สีเท่านั้นเพราะมีประวัตินิวัติและเหตุแห่งประวัติและนิวัติทั้งสองนั้นเพียงเท่านั้นในย่าเดียวกันนั้นตรัสแต่สีเท่านั้นแม้ด้วยอำนาจแห่งธรรมะที่พึงกําหนดรู้ธรรมะที่พึงละธรรมะที่พึงทําให้แจ้งและธรรมะที่ทําให้มีขึ้นหนึ่งแห่งวัตถุของตัณหา ตัวตันหาความดับตันหาและอุบายดับตันหาหนึ่งแห่งอาไยความยินดีในอาไลความถอนอาไลเสียได้และอุบายถอนอาไลหนึ่งวินิจฉัยโดยมีจํานวนไม่หย่อนไม่ยิ่งในอริยศาสตรน์นี้พึงทราบดังกล่าวมาชะนี้โดยลําดับ แม้ลำดับในข้อว่าโดยลำดับนี้ก็ได้แก่ลำดับแห่งการแสดงเหมือนกันก็ในอริยาาสัจสี่นี้ทุกขสัจพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เป็นข้อแรกเหตุว่ารู้ได้ง่ายเพราะเป็นของหยาบและเป็นของสาธารณะแก่สัตว์ทั้งปวงสมุทยัยสัจตรัสไว้ในลำดับนั้นเพื่อแสดงเหตุแห่งทุกขสัจนั้นแหล นิโรธสัต์ตรัสต่อนั้นไปเพื่อให้รู้ว่าความดับแห่งผลย่อมมีเพราะความดับแห่งเหตุมักษัตย์ตรัสไว้ในที่สุดเพื่อแสดงอุบายบรรลุนิโรธสัต์นั้นในยะหนึ่งตรัสทุกก่อนเพื่อยังความสังเวชให้เกิดแกสัตว์ทั้งหลายผู้ติดใจในรสชาติแห่งความสุขในภพ สมุทัยตรัสในลำดับนั้นเพื่อให้ทราบว่าทุกนั้นตันหามิได้แต่งขึ้นก็ไม่มามันมีขึ้นเพราะเหตุภายนอกมีพระอิส่วนบันดาลเป็นต้นก็หาไม่แต่มันมีขึ้นเพราะตันหานี้ต่อ น, นั้นตรัสนิโรธเพื่ อ, อยังความโล่งใจด้วยได้เห็นนิสรณะให้เกิดแก่บุคคลทั้งหลายผู้มีใจสลด เพราะถูกทุกข์กับทั้งเหตุครอบงําแล้วสแสวงหาความออกไปจากทุกข์ต่อ น, นั้นจึงตรัสมักอันเป็นธรรมะอย่างนิโรธให้ถึงพร้อมเพื่อบรรลุนิโรธแลวินิจฉัยโดยลำดับในอริยาศาสตว์นี้พึงทราบดังกล่าวมาชันนี้ โดยวินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้นข้อว่าโดยวินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้นความว่าธรรมะทั้งหลายมีชาติเป็นต้นนั้นใดพระผู้มีพระภาคผู้เมื่อทรงแจกแจงอริยสัจทั้งหลายได้ตรัสไว้ในนิเทศแห่งอริยสัจสี่ดังนี้ คือธรรมะสิบสองประการตรัสไว้ในนิเทศแห่งทุกขศาตร์ว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่างหนึ่งความแก่ก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งความเศร้าใจความกร่ามครวญความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์แต่ละอย่างคือในยะห้าความประสบเข้ากับสิ่งอันที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง ความรากไปจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกอย่างหนึ่งความที่ปรารถนาอยู่แต่ไม่ได้ก็เป็นทุกอย่างหนึ่งโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกขตัณหาสามประการตรัสไว้ในนิเทศแห่งสมุทยาสัตว์ว่าตัณหานี้ใดมีการก่อบพบใหม่อีกเป็นปกติ ไปด้วยกันกับนันทิราคะมีปกติมุ่งเพลิดเพลินไปในอัตภาพนั้นๆตันหานี่คืออะไรบ้างคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานิพพานอันมีประการเดียวโดยประสงค์ตรัสไว้ในนิเทศแห่งนิโรธสัตดังนี้ว่าความดับ โดยสำรอกออกอย่างไม่เหลือแห่งตัญหานั้นนั่นแหลอันใดความสละไปความสลัดทิ้งไปความหลุดไปความหมดเยื่อใหญ่แห่งตัญหานั้นนั่นแหลอันใดธรรมะแปดประการตรัสไว้ในนิเทศแห่งมรคสัต์ดังนี้ว่า ทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไนะคืออริยามรคมีองค์แปดนี่แหลอริยามรคมีองค์แปดนี้คืออะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิดังนี้โดยวินิจฉัยธรรมะทั้งหลายมีชาติเป็นต้นนั้นบัณฑิตก็พึงทราบในนิเทศนี้